จบเสียงอ่านแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตเพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นควรศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายซึ่งจะเป็นการสรุปพระไตรปิฎกมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ให้ศึกษาได้ง่ายและแจกแจงอธิบายโดยละเอียดไปตามลำดับเพื่อความเข้าใจหลักธรรมที่สาคัญในแต่ละหัวข้อได้ถูกต้องตรงทางในเชิงลึกต่อไปนะครับ ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทาเพิ่มเติมอีกดังนี้สำรวยพุ่มพวงชายพฤกคุ้มวงพนอมรักเพชฌเทียนรัตนาอาภาอตัตโตยวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตวีรวุฒิและนักกมนหวงอุระดีกานิยาบุญทกาโนนธนกรสิริสมุดกัญยนั์ทองบุญราชโกรเงินทาวอนอ้อยพรจึงวิวัฒนาพรพัชรีละอเลิศลัคณามุติตาจินากร สุดารัตน์อัมภัยโรจนะวงศ์ช่อทิพย์นิติประพากิติพรตรีสุภาการร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะกเคกรดิตทายเรื่องขออนุมุทนาทุกท่านที่เห็นความสำคัญในการทำงานของชมรมผลดีแล้วร่วมสนับสนุนทั้งทา ง, ทางตรงและทางอ้อมเรื่อยมาจนสามารถทำงานมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับชีวิตคนคนหนึ่งเปลี่ยนไปได้ด้วยธรรมะจะสะท้อนกลับมาเป็นแรงส่งให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปทุกๆด้านอย่างเป็นธรรมเช่นกัน